บทที่46พุทธกิจหในพรรษานั้นพระมหาบุญได้รับมอบหมายจากท่านพระครูให้ทำหน้าที่สอนปริยัติธรรมแก่พระภิกษุในวัดพระหนุ่มตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดด้วยหวังว่าออกพรรษาสมภารคองอนุญาตให้ศึกไปแต่งงานกับคนรักและเมื่อนึกถึงคำพูดของท่านที่ว่าอย่าเพิ่งศึกเลยเรอไว้ศึกพร้อมผม จิตใจของภิกษุหนุ่มก็หดหูห่อเหีียวกระนั้นก็อุตส่าห์ปลอบใจตัวเองว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกนาวันนี้ท่านไม่ให้เราสึกวันหน้าอาจจะใจอ่อนยอมให้สึกก็ได้หรือปากเหมาะเคราะ ด, ดีท่านเกิดไปตกลุมรักใครสักคนเข้าจนถึงกับตัดสินใจลาสิกขาเมื่อ น, นั้นเราก็จะได้สึกพร้อมกับท่านสาธุขอให้เป็นอย่างที่เราุ่งมาก ปรารถนาเถิดเจ้าประคุณท่านคิดขณะเดินจากกุฏิไปยังอุโบสถอันเป็นสถานที่เรียนของพระบวชใหม่ส่วนสาาการป ร, รียนนั้นมีไว้สำหรับให้ญาติโยมปฏิบัติกรรมาฐานจะได้ไม่ปากปนกันระหว่างนักบวชกับผู้ครองเรือนเมื่อท่านเข้าไปในโบสถ์บรรดาลูกศิษย์ทาความเคารพพระอาจารย์ท่านยืนอยู่หน้ากระดานดาหยิบชอกขึ้นมาแท่งหนึ่ง แล้วเขียนลงไปว่าการสร้างวิวัตินามอันเป็นหัวข้อของการเรียนภาษาบาลีในวันนี้เอาล่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการสร้างวิวัตินามเอาแค่สองวิวัติก่อนจะได้จาง่ายอา้าวไหนทดทวนที่เรียนไปเมื่อวานซิเมื่อวานเราเรียนอะไรไปแล้วไหนพระบัวหลวงลองตอบมาซิพระบัวหลวงยืนขึ้นตอบมั่นอกมั่นใจว่า ปุริศิษฐะและกุลครับพระหนุ่มตอบและออกเสียงได้อย่างถูกต้องบอกลิงของคําว่าสามด้วยลิงหมายถึงเพศปุริศกับศิษฐ์เป็นปุลิงส่วนกุลเป็นนับปุงสักกลิงครับดีมากเอาละทีนี้พระชนวนลองแจกวิวัติของปุริศเอาปฐมาวิวัติกับ ธุิยาวิวัติทั้งเอก ว, วจนะและพาหุวจนะพระชนวนค่อยๆลุกขึ้นตอบด้วยท่าทีติดอ่างน้อยลงกว่าเดิมว่าปุริโสปุริสาปุริสังปุริเสครับอันว่าพระชนวนนั้นตั้งแต่ปฏิบัติตามคําแนะนำของพระอุปชาอย่างเคร่งครัดอาการเจ็บป่วยของท่านทุลาลงเห็นได้ชัด ทั้งสติปัญญาก็เฉียบแหลมขึ้นพระบุญสร้างแจกวิวัติกุลสิกุลังกุลานิกุลังกุลานิครับทำไมถึงไม่เป็นกุโลกุลากุลังกุเลล่ะเพราะกุลเป็นนับปุงสกกลิงครับจึงแจงวิวัติต่างไปจากปุงลิงพระบุญสร้างตอบ ปุงลิงคือเพศชายส่วนนะปุงสั ก, กลิงคือไม่มีเพศถูกต้องอลัลทีน้คําว่าสิทธศขอให้ว่าพร้อมๆกันแล้วก็แปรด้วยหนึ่งสองสามนักเรียนทั้งห้องจึงตอบพร้อมๆกันว่าสิทโสสิทษาดสิทธิสังสิทธิเสออันว่าสิทธิ์อันว่าสิทธิ์ ท, ทั้งหลายซึ่งสิทธ ซึ่งสิทธ์ทั้งหลายดีมากต่อไปนี้เราจะมาต่อวิวัติที่สามกับวิวัติที่สี่ซึ่งเรียกตามบาลีว่าตติยาวิวัติและจตุถีวิวัติขณะนั้นพระบัวขาบเดินกระหืดกระหอบมานั่งแถวหลังสุดกล่าวปลกปลกสามครั้งพลางหายใจคลืดครืดเพราะความเหนื่อยเป็นที่รู้กัน ในหมู่พระบวชใหม่ว่าพิกษุรูปนี้ท่านมาสายเป็นกิจวัตรแม้จะเรียนไม่ทันเพื่อนแต่ท่านก็ไม่เคยแสดงออกว่าไม่รู้ดังนั้นไม่ว่าใครจะถามอะไรท่านจะตอบได้หมดทุกเรื่องคําว่าไม่รู้หรือไม่ทราบจึงไม่มีโอกาสเล็ดลอดออกจากปากของท่านทั้งที่สิ่งที่ท่านบอกว่ารู้นั้นผิดจะมากกว่าถูกและความที่ชอบทําอ ง, งาอาจอวดอ้าง ว่าตนนั้นเป็นผู้รู้นี่เองที่ทำให้ท่านมีนิสัยชอบดูถูกคนอื่นโดยเฉพาะพระชนวนผู้น่าสงสารนั้นดูจะเป็นผู้ที่ท่านทั้งดูถูกทั้งล้อเลียนโดยปราศจากเมตตาจิตพระบัวขาบกำลังทำกรรมโดยไม่รู้ตัว พระบัวขาบมาพอดีไหนลองแจกวิวัติของทุกขะซิท่านไม่ได้ถามว่าได้หรือไม่ได้เพราะรู้คําตอบดีว่าคําว่าไม่ได้ไม่เคยออกจากปากของภิกษุรูปนี้ทุกโขทุกขาทุกขังทุกเขครับท่านเข้าใจว่าทุกขะเป็นบุงลิงเหมือนกับบุริษยังไม่ทันที่อาจารย์จะบอกว่าผิด ก็ถือโอกาสแปลให้เสร็จสับว่าทุกโขแปลว่าทุกมากเพราะโขแปลว่ามากทุกขาแปลว่าเดินไกลจนเมื่อยขาจึงเกิดทุกทุกขังแปลว่าติดคุกถูกขังคุกส่วนทุกเขแปลว่าทุกเพราะตาเหลตาเขหรือที่เรียกว่าตาไม่สามาัเคกันเหมือนตาของพระชนวนเป็นต้น อดซอไม่ได้ที่จะพูดจาถากถางปมด้อยของผู้อื่นพระมหาบุญเกิดความรู้สึกลรายายอย่างในเวลาเดียวกันทั้งขำทั้งสมเพศและก็นึกตำหนิคม ท, ที่ท่านอุตส่าห์สรรหาคำแปลได้ทั้งๆ ท, ที่ไม่มีในระบบสมเพทที่ท่านไม่ยอมรับในความรู้สึกของตนและนึกตำหนิที่ท่านใช้ปิสนาวาจาคือวาจาส่อเสียด ย่อเย้ยถักถางผู้ที่มีปมด้อยเช่นพระชนวนผู้ซึ่งนั่งหน้าตาซีดจียวและนึกน้อยใจในวาสนาที่เกิดมาอาภัพอับโชคแต่ก็มีอุปทานยึดมั่นว่าวันหนึ่งท่านต้องหายเพราะศรัทธาในอุปชาอย่างล้นเหลือมีใครจะบอกได้บ้างว่าสิ่งที่พระบัวขาบตอบมานั้นผิดหรือถูกไม่มีผู้ใดให้คาตอบ บางรูปคิดว่าท่านตอบเข้าทีหากก็ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นดีไมด่ดีอาจจะถูกพระบัวคาบตาหนิติดเตียนต่อหน้าธารกำนันก็ได้ส่วนผู้ที่เข้าใจภาษาบาลีนั้นรู้ว่าผิดโดยไม่มีเงื่อนไขเมื่อไม่มีผู้ใดตอบพระมหาบุญจึงอธิบายว่านอกจากจะแจกวิวัติผิดแล้วท่านยังเอาคำว่าโขขาขังเข ซึ่งเป็นคำไทยมาใช้ปนกับภาษาบาลีซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของเขาพูดให้แรงกว่านี้คือท่านทำภาษาเขาวิบัติขอให้ไปทำความเข้าใจเสียใหม่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเตือนก็คือท่านจะต้องมีจิตเมตตาคนที่เขาด้อยกว่าผมสังเกตมาหลายครั้งแล้วว่าท่านชอบทำร้ายผู้อื่นด้วยวาจาซึ่งเท่ากับท่านกาลัง กระทำกรรมโดยไม่รู้ตัวระวังนะให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นจะมาถึงตัวพระอาจารย์เตือนด้วยหวังดีผมไม่ได้ให้ทุกแก่ใครสักหน่อยผมพูดความจริงต่างหากความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะครับท่านอาจารย์ภิกษุหัวดื้อเถียงไปข้างๆคูคูแต่การล้อเลียนผู้อื่นนั้นเป็นกรรมนะสมัยพุทธกาลมีเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นมาแล้ว คือเรื่องพระจุลปันธกะน้องชายของพระมหาปันธกะถึงแม้ท่านจะเป็นพระอรหันต์แต่ก็ปัญญาทึบชาติก่อนๆท่านปัญญาทึบเพราะการที่ไปล้อเลียนเพื่อนที่ปัญญาทึบเอาละ่ะผมจะเล่าให้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์ใครมีนิสัยเช่นนี้จะได้เลิกละเสียเรื่องมีอยู่ว่าลูกสาวเศรษฐีแห่งเมืองราชคฤื้ได้ลักลอบได้เสียกับคนใช้ กระทั่งถูกบิดามานดาจับได้ทั้งคู่จึงพากันหนีออกไปอยู่ในหมู่บ้านไกลจากตัวเมืองพระนางตั้งท้องลูกคนแรกและจวนใกล้คลอดจึงวอนสามีให้พาไปคลอดที่บ้านบิดามานดาของนางเหมือนนี่พระนางสิริมหามายาเสด็จไปกรุงเวทหะเพื่อจะประสูตรราชโอรสใช่ไหมครับภิกษุรูปหนึ่งถามขึ้นถูกแล้ว เป็นธรรมเนียมของชาวชมพูทวีปที่สตรีคันแก่ต้องเดินทางไปคลอดบุตรยังบ้านเรือนของบิดามารดาคงเป็นเพราะว่าอยู่ใกล้พ่อแม่ทำให้เกิดความอบอุ่นและปลอดภัยกว่าไม่มีใครในโลกที่จะรักเราเท่ากับพ่อแม่จริงไหมท่านถามพระลูกศิษย์จริงครับท่านพระนวกะตอบพร้อมกันบางรูปรู้สึกคิดถึงโยมบิดามารดาขึ้นมาตงิดตงิด นั่นแหละด้วยเหตุนี้นางจึงอ้อนวอนสามีให้พากลับไปยังเมืองรัชคร้แต่สามีไม่ยอมนางจึงหนีไปแต่ผู้เดียวสามีทราบข่าวจึงตามไปชวนให้กลับนางไม่ยอมกลับจึงต้องเดินทางไปด้วยแต่ก็ยังไม่ทันถึงเมืองรัชคร้นางก็คลอดลูกระหว่างทางเลยชื่อว่าปันทกะซึ่งมาจากคำบาลีคือปัญทะแปลว่าถนนทางจราจร ทางเดินเมื่อคลอดบุตรแล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องเดินทางต่อไปจึงพากันอุ้มบุตรเกิดใหม่กลับมายังหมู่บ้านผู้หญิงชมพูทวีปนิชอบคลอดลูกระหว่างทางนะครับอย่างนางพระสริมหมายานางปตตาจาราก็คลอดลูกระหว่างทางภิกษุรูปเดิมเปลยขึ้นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นแต่เท่าที่สังเกต เด็กที่คลอดลักษณะนี้มักจะเป็นผู้มีบุญญาธิการเช่นเสด็จพ่อของพวกเราเป็นต้นท่านหมายถึงองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแล้วแล้ ว, ลวเรื่องเรื่องเรื่องเป็นยังไงอีกครับพระชนวนถามด้วยอยากฟังคราวนี้ออกจะติดอ่างด้วยคำหนึ่งถึงโยมบิดามานดา ถึงท่านทั้งสองจะให้รูปร่างหน้าตาอับปลักมาทําให้ต้องอับอายเพื่อนฝูงหากพระหนุ่มก็ไม่เคยคิดโทษโกรธเคืองท่านเพราะถือว่าคงเป็นกรรมที่ตนได้ทํานั่นเองตรงข้ามกลับนึกสงสารบิดามารดาที่ต้องมามีลูกพิกลพิการเช่นนี้พระบัวขาบได้ยินเช่นนั้นแม้จะไม่กล้าเย่อเย้ยด้วยวาจาเพราะเกรงจะถูกพระมหาบุญตําหนิ หากก็อดไม่ได้ที่จะส่งสายตาไปเย้ยยันด้วยว่าเป็นนิสัยของท่านที่คงจะแก้ไม่ได้แล้วอีกทั้งเจ้าตัวก็ไม่สนใจที่จะแก้ไขเรื่องก็คือผัวเมียพากันอุ้มลูกกลับบ้านและตั้งชื่อว่าปันธกะอยู่ต่อมาเหตุการณ์แบบเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีก แล้วมานดาของเด็กชายปันทกะก็คลอดลูกระหว่างทางอีกมินำซ้ำขอให้ชื่อปันทกะตามชื่อพี่ชายทีนี้ลูกมีชื่อเดียวกันก็คงจะเรียกลำบากจึงเรียกคนเล็กว่าจูลปันทกะแปลว่าปันทกะน้อยส่วนคนโตเรียกมหาปันทกะแปลว่าปันทกะใหญ่เมื่อเด็กชายทั้งสองโตขึ้นก็ถูกส่งไปอยู่กับตายายที่เมืองราชคร เศรษฐีก็รักหลานแม้จะเกลียดลูกสาวลูกเขยแต่ก็รักหลานเพราะถึงอย่างไรก็เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตนมหาพันธกะนั้นเป็นเด็กฉลาดชอบติดตามผู้เป็นตาไปฟังจากพระพุทธองค์เสมอๆไหนพวกท่านลองตอบมาสิว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดประชาชนตอนไหนตอนเย็นครับภิกษุทุกรูปยกเว้นพระบัวขาบตอบ ส่วนภิกษุผู้อวดรู้นั้นตอบว่าตอนค่ำครับพระมหาบุญไม่สนใจผู้ตอบผิดจึงถามต่อไปว่าไหนลองตอบมาพร้อมๆกันสิว่าพุทธกิจห้าเวลามีอะไรบ้างตอบเป็นภาษาบาลีและแปลด้วยพระโบขาบรูปเดียวอีกนั่นแหละที่จำไม่ได้หากก็ตอบอ้อมอมแอมๆอมปนไปกับเขาเพื่อไม่ให้เสียหน้า ภิกษุเหล่านั้นตอบพร้อมกันว่าปุพพันเหปินทะปาตัญจะเวลาเช้าเสด็จออกรับบินทบาตสา ย, ยันเหธรรมเทสนังเวลาเย็นทรงสแสดงธรรมปะโทเสภิกุโอวาทางังเวลาค่ำประธานโอวาทแก่เหล่าภิกษุผู้มาเฝ้าจากถิ่นไกลบ้างใกล้บ้างอัตระรเตเประวะ ปัญหานังเที่ยงคืนทรงต่อปัญหาแกเทวดาปัจจุดเสวะคะเตกาเลพัพพาพับเพวิโลกนังยวนสว่างทรงตรวจพิจรารณาสัตว์ที่สามารถและไม่สามารถบรรลุธรรมอันควรเสด็จไปโปรโดหรือไม่คำตอบช่วงท้า ย, ายเสียงชักจะไม่ค่อยพร้อมเพรียงกัน ดีมากที่นี่มาตอบเรื่องที่เล่าสรุปว่ามหาปันธกะตามผู้เป็นตาไปฟังธรรมทุกครั้งแต่น้องชายคือจุลปันธกะไม่ยอมไปเท่ากับท่านกระทาทั้งชาติก่อนๆและทั้งชาตินี้คือไม่ขวนขวายหาความรู้ใส่ตัวจึงต้องเป็นคนปัญญาทึบเมื่อมหาปันธกะอายุครบบวชจึงขออนุญาตบวชจากผู้เป็นตา เพราะจิตใจยอยากจะบวชมาตั้งแต่เด็กๆเรื่องจากฟังธรรมบ่อยๆจึงเกิดศรัทธาประสาทะเมื่อได้รับอนุญาตท่านจึงได้อุปสมบทและก็สามารถบรรลุอรหัตผลได้ในเวลาอันรวดเร็วต่อมาท่านจึงขออนุญาตโยมตาโยมยายและน้องชายมาบวช ด, ด้วยแต่จุลปันธกะเป็นคนปัญญาทึบพระมหาปัธกะให้ท่องคาถา แค่คาถาเดียวท่องอยู่สี่เดือนก็ยังไม่ได้คาถาที่ว่ามีดังนี้ท่านเขียนลงไปบนกระดานดำสหัสเนตโตเทวินโทเทวรัชสิรีทโรสังคิตปปวานะตังมักังขิ ป, ปังสาวัติมาคมิเอาละไหนลองฝึกอ่านพร้อมกันซิอ่านช้าไม่เป็นไรแต่ขอให้อ่านให้ถูกต้อง เป็นใช้ได้พระนวกะพยายามอ่านด้วยความตั้งใจเพราะเท่ากับมีโอกาสได้ฝึกฝนหากพระบัวขาบสิกลับคิดว่าอาจารย์น่าจะให้ท่านอ่านผู้เดียวดังนั้นจึงออกเสียงเบากว่าเพื่อนสหัสเนตโตเทวินโทเทวรัชชะสิรีทโรสังคิต ป, ปิตวานะตังมักคังขิปปังสาวัติมาคมิ ท่านท่านท่านอาจารย์กรุณาแปรได้ไหมครับผมชอบชอบชอบมากไพเราะเหลือเกินครับพระชนวนร้องขอด้วยเกิดความซาบซึง้งพระมหาบุญจึงจำต้องขอเสียงส่วนใหญ่พระนวากาทุกรูปยกมือเว้นแต่พระบัวขาบเจ้าเดิมพระบัวขาบไม่อยากรู้หรอกหรือท่านถามไม่หรอกครับ เพราะผมรู้อยู่แล้วเชิญท่านอาจารย์แปลให้พวกที่ยังไม่รู้เถอะครับหรือถ้าจะให้ผมช่วยก็ยินดีท่านเสนอตัวทั้งที่ไม่แน่ใจนับว่าจะทำได้ดังที่พูดหากก็มีความมั่นใจอยู่ตรงที่เชื่อว่าตัวเองมีไหวพริบดีพอที่จะเอาตัวรอดได้พระมหาบุญจึงขอบคุณแบบไม่จริงใจและต้องการดัดนิสัยคนโออวดว่า อย่าเลยต้องขอบคุณในความปรารถนาดีของท่านแต่ผมกลัวว่าท่านจะทำให้ภาษาเขาวิบัติและผมก็จะพลอยบาปไปด้วยภิกษุรูปอื่นๆพากันนั่งนิ่งไม่แสดงอาการสมน้ำหน้าออกมาเพราะนิสัยพระบัวขาบแสดงออกมาจนเคยชินนั้นไม่ํำให้ผู้ใดนึกชื่นชมแม้แต่รูปเดียวจึงไม่ต้องการที่จะลอกเรียนแบบ ท่านอาจารย์กรุณาแปลด้วยเถิดครับผมอยากฟังภิกษุรูปหนึ่งขอพระอาจารย์จึงแปลบรรทัดต่อบรรทัดว่าท้าสหัสนัยจอมเทพผู้ทรงไว้ซึ่งความเป็นเจ้าแห่งเทวดาได้ย่นระยะทางนั้นได้มาสู่เมืองสาวัตถีแล้วโดยฉับพลันคาถานี้ว่ามาจากเหตุการณ์ตอนที่จุลปานน้องชายของท่านจักขุปาน ได้สั่งบุตรชายชื่อปาลิตะไปรับหลวงลุงกลับมาอยู่ที่เมืองสาวัตถีเนื่องจากท่านปฏิบัติธรรมขั้นอุกฤษจนบรร ล, ลุอรหัตผลหากก็ต้องสูญเสียในตาไปทั้งสองข้างด้วยไม่ได้เอาใจใส่ดูแลตามที่แพทย์สั่งท่านอยู่ที่วิหารบ้านปลายแดนห่างจากพระเชตวันไป220โย์และดำรงชีวิตด้วยความยากลาบากเนื่องจากตาบอด น้องชายจึงให้บุรไปรับมาเลี้ยงดูโดยให้บวดเป็นเนนเสกอนแล้วจึงเดินทางไปสมณเนนปาลิตะได้เดินทางไปรับหลวงลงุงตามคำสั่งของบิดาโดยให้หลวงลุงถือไม้เท้าและท่านเป็นคนจูงพอมาถึงกลางป่าสมณเนนได้ยินเสียงร้องเพลงอันไพเราะของภรรยาคนตัดต้นไม้ก็เกิดความเสียหา จึงบอกลุงลุงให้รออยู่ก่อนท่านจักคูปานรออยู่เป็นนานสมณเณรหลานชายจึงกลับมาท่านจึงถามว่าเจ้าหายไปไหนตั้งนมนานข้าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงนี่แสดงว่าเองถึงศีลวิบัติแล้วใช่ไหมเณรหลานชายจึงตอบเสียงอ้อมแอมว่าก็บอกแล้วว่าผมไม่ได้ตั้งใจบวชลุงลุงอย่าคิดอะไรมากเลยมันเป็นเรื่องธรรมดา ของชายหนุ่มพูดจบก็จับปลายไม้เท้าของลุงเพื่อจะจูงให้เดินทางต่อไปท่านจักคูปานตอบว่าข้าไม่ไปกับเองพระเองเป็นผู้มีศีลอันวิบัติเสียแล้วพระอาจารย์หยุดเล่าและถามลูกศิษย์ว่าสมเนนปาลิตตะมีศีลวิบัติในเรื่องอะไรเศเมฐุนกับกาเมสุมิชฌาจารย์ครับ เพราะหญิงนั้นมีสามีแล้วพระรวมบุญตอบถูกแล้วด้วยเหตุนี้ท่านจักคู ป, ปานจึงรังเกียจไม่ยอมร่วมเดินทางด้วยล้านชายไม่รู้จัดทำประการใดจึงบอกหลวงลุงว่าถ้าเช่นนั้นผมจะสึกเดี๋ยวนี้ ว่าแล้วจึงเปลื่องไตรจีวร อ, ออกเปลี่ยนมาเป็นชุดเครหัดซึ่งบังเอิญเตรียมมาเสร็จแล้วจึงบอกหลวงลุงว่าผมสึกแล้วเราไปกันเถอะพูดพลางจับปลายไม้เท้าของหลวงลุงท่านจากักขุบาลตอบว่าข้าไม่ไปกับเองและจึงกล่าววาจาที่เสียดแทงใจทิศึกใหม่จนถึงกับร้องไห้ออกมามันประชิดชั่วก็ดีเครือหัดชั่วก็ดีมันก็คือคนชั่วเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเอ็งไม่ต้องมาจับไม้เท้าค่าข้าขอตายอยู่แต่ผู้เดียวในป่ายังดีกว่าจะร่วมเดินทางไปกับคนชั่วๆอยยังเองทิศศึกใหม่ไม่รู้จะทำประการใดจึงเดินร้องไห้หายไปในป่าท่านจักคูปาลก็เดินสเปะสปะไปแต่ผู้เดียวแต่เนื่องจากพระจักคูปาลท่านเป็นพระอรหรันผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลส ท่านจึงไม่ต้องปรินิพานอย่างเดียวดายในป่าอย่างแน่นอนเหตุนี้จึงได้ยินเสียงชายชาราถามว่าพระคุณเจ้าจะไปไหนขอรับท่านก็ตอบว่าอาตมาจะไปเมืองสาวัตถีพวกท่านลองทายซิว่าชายแก่ผู้นี้เป็นใครทำไมจึงได้มาเดินอยู่คนเดียวในป่าพระอาจารย์ป้อนคำถามลูกศิษย์ พ, พผมว่า ท่านท่านต้องเป็นพระอินปลอมตัวมาครับพระชนวนตอบเพราะได้ยินท่านพระครูผู้เป็นอุปชาสอนเสมอว่าคนทำความดีจะร้อนถึงทิพอาดขององค์อินแต่คนทำชั่วจะร้อนถึงย ม, มาบาลพระมหาบุญชมว่าเก่งมากพระชนวนตอบถูกแล้วผมสงสัยว่า พระอินทร์ท่านคงจะร้อนอาจจึงได้ทรงรำพึงเป็นบทกรนดังต่อไปนี้มาจะกล่าวบทใบถึงเท้าหัสนัยไตรตรึงสาที่พระอาดเคยอ่อนแต่ก่อนมากระด้างดังสิลาประหลาดใจจะมีเหตุมั่นแม่นในแดนดินอมรินเร่งคิดสงสยัยจึงสอดส่องทิพเนตรดูเหตุภยัย ก็แจ้งใจในพระจักคุบาลวักสุดท้ายนี่ผมแปลงเอาเองนะคือจากนางรจนามาเป็นพระจักคุบาลในที่สุดชายแก่ก็ให้พระจักคุบาลจับไม้เท้าให้แน่นๆและจับปลายไม้เท้าของพระจักคุบาลปรากฏว่าประเดียวเดียวก็มาถึงสาววัตถีจึงเรียกว่าคาถาย่นระยะทาง แต่พระจุรปันธกะท่องอยู่สี่เดือนก็ยังจำไม่ได้จนถูกมหาปันธกะผู้เป็นพี่ชายดูและไล่ให้ไปศึกทำนองมาบวชเสียผ้าเหลืองคาถานี้ก็ยังท่องไม่ได้อะไรทำนองนี้เล่ากันว่าที่ท่านปัญญาทึบเนื่องมาจากกรรมแต่ครั้งอดิตชาติกก่าวคือในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะท่านจุลปันธกาเป็นภิกษุที่ฉเฉลียวฉลาด แต่ได้ไปล้อเลียนเพื่อนร่วมปัญญาทึบคนหนึ่งที่พยายามท่องคถ า, าอยู่นานแสนนานก็ท่องไม่ได้มาในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะท่านจึงต้องมาเกิดปัญญาทึบเพราะกรรมอันได้กระทําไว้นั้นพระมหาปันญกะรู้สึกกาคาญในความปัญญาทึบของน้องชายจึงบอกให้ศึกสึกไปเสียแต่พระจุลปันธกะไม่ปรารถนาจะสึกด้วยว่า ทราบซึ่งในคำสอนของพระพุทธองค์แม้ถ้าเป็นเราคงดีใจแย่จะรีบศึกในวันนั้นเลยทีเดียวพระอาจารย์ผู้กระหายใครลาสิกขาหยุดคิดในใจแล้วท่านศึกไหมครับพระลูกศิษย์รูปหนึ่งถามขึ้นท่านหมายถึงพระจุลปันธกะหากอาจารย์กำลังคิดถึงเรื่องของตัวเองจึงเผลอตอบออกมาว่าจะศึกได้ยังไงล่ะ หลวงพ่อท่านยังไม่อนุญาตท่านบอกรอไว้ศึกพร้อมท่านบรรดาพระลูกศิษย์ทำหน้างวย ง, งสงสยัยและต่างชิงกันป้อนคำถามกลับมายังอาจารย์ท่านมหาหนุ่มจึงรู้ตัวว่าพลาดท่าเสียทีเอาความลับของตนมาเปิดเผยจนได้จึงพูดตัดบทว่าการุณาอย่าถามนอกเรื่องเอาเรื่องนี้ดีกว่า ผมจะไม่อนุญาตให้ท่านถามแต่จะเล่าเรื่องพระจุลปันธกะต่อมิฉะนั้นพวกท่านอาจจะพลาดฉันเพนเพราะนี่ก็ใกล้เวลาฉันเพนเข้ามาแล้วแต่ถ้าใครไม่ฉันเพนผมก็จะสอนต่อไปจนจบก็ได้พระอาจารย์ไม่หิวเหรือครับพระบุญสร้างถามด้วยเป็นห่วงอาจารย์หิวก็ต้องทนลูกศิษย์ทนได้อาจารย์ก็ต้องทนได้นี่คือคำตอบ แท้จริงผลพลอยได้ที่ท่านจะได้รับคือน้ำหนักจะได้ลดลงนับแต่ท่านพระครูบอกให้รอไว้ศึกพร้อมท่านพระมหาบุญก็กรุ่มอกกรุ่มใจฉันได้จนจำวัดหลับจนอ้วนเอาอ้วนเอาปกติท่านก็เป็นคนเจริญ อ, อาหารอยู่แล้วพอมามีเรื่องร้อนรุ่มกรุ่มสวงก็เลยฉันได้ฉันเอา เลยอ้วนเสียจนกางเกงยีนที่สีกาสาวซื้อถวายนั้นขับจนใส่ไม่ได้แล้วแต่เรื่องกางเกงยีนคงไม่เป็นปัญหาเพราะจะซื้อใหม่อีกตัวก็ได้ขอให้ได้ศึกเสียก่อนเถอะพระอาจารย์ครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องถึงจะเป็นกองทัพธรรมก็ต้องให้ท้องอิ่มก่อนนะครับไม่งั้นก็สู้กับศัตรูไม่ได้พระบัวขาบเสนอ ถ้าเช่นนั้นก็เตรียมฉันเพนกันได้ช่วงบ่ายค่อยมาว่ากันต่อและท่านอย่าข้อห้องสายอีกหลักอาจารย์บอกลูกศิษย์หัวดือผมจะพยายามครับพระหนุ่มรับคําเสียงอ่อยและบรรดาพระลูกศิษย์ก็กราบลาอาจารย์สามครั้งพระมหาบุญเดินออกมาก่อนจากนั้นพระใหม่จึงตั้งแถวเดินอย่างสำรวมไปยังโรงฉันได้อาหารทางใจแล้ว ลำดับต่อไปก็จะเป็นอาหารทางกายอันที่จริงพระก็สบายดีเหมือนกันไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องทางโลกแล้วก็ยังได้อาหารใจและอาหารกายอีกด้วย